ความจิตที่หิวทมและอิ่มทมผิดกับความหิวและความอิ่มในสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวกับจิตคำว่าจิตหิวทมนี่แล้วก็แยกออกมาพูดคือจิตพอใจในธรรม มีความดุดดือมอยู่กับทา ม, มากน้อยเพียงไร ย, ย่อมยิ่งมีความสุขมากน้อยเพียงนั้นไม่เหมือนเรามีความดุดเดือมกับสิ่งอื่นซึ่งเกี่ยวไปด้วยความทุกข์ซึ่งแฝงกันไปในขณะนั้นความอิ่มทาตั้งแต่ขั้นเริ่มแรก ท่านเรียกว่าปีติคือความอิ่มใจปีติ น, นี้จะมีไปเรื่อยๆาตามขั้นแห่งธรรมถ้าทําจิตใจละเอียดปีติก็ละเอีย ด, ดจิตใจหยาบนังหยาบอยู่ปีติแสดงขึ้นก็หยาบบางลายก็ท่านถึงเรียกว่าอุเพงคาปีติ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 สิงที่คิดที่ปรุงขึ้นมาพายใจิตใจก็ปรุงออกจากสิ่งที่มีอยู่ต่างอันต่างมีอยู่ด้วยกันจึงคิดได้ติดได้ด้วยกันทั้งนั้นอันเนี้ ว, ว่าธรรมนั้นเปิดเผยอยู่ตลอดเลยละ่ะนอกจากสติปัญญาของเรายังไม่สามารถที่จะทราบความจรงิงหรือเปิดจะเปิดเผยความจริงนั้นออกมาด้วยอํานาจของสติปัญญานี้เท่านั้น <c oughs> จึง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 ที่ดูตั้งแต่พระพุทธเจา้าพอถึงหกทะาพันสาอย่างเอาจิงเอาจังเอาเป็นเอาตายเข้าว่าแม่เช่นนั้นก็เรียกว่าตกนรกทั้งเป็นด้วยความอุตสาห์พยายามทะเกียรติ ก, ก, ต ก, กายทุกท่าซึ่งร้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกองทุกข์ท่าความเปลี่ยนทั้งนั้นมาตลอดเวลาหกปีแต่ไม่ลำบากลำบนอย่างไรถึงขนาดสลบทะไหะ ที่นเราคืเป็นลูกศิษ์ของท่านก็ ม, มีความหนาบางต่างกันตามสรีมนิสัยหรือุปนิสยันนสยของคนเช่นเดียวกับน้ำมีอยู่ในพื้นดินนี้น้ำมีขุดลงไปก็เจอแต่ว่าลึกตื้นต่างกันเท่านั้นบางแห่งก็ขุดลงไปไม่กี่เมตรก็เจอน้นา้บางแห่งขุดลงไป จ, จนลึกแสนลึก ถึงเจอน้ำก็มีไอเรื่องเจอน้ำนั่นเจอเพราะแผ่นดินนี้เต็มไปด้วยน้ำทำไมจะไม่เจออันนี้เรื่องความจริงมีอยู่ทุกแห่งทุกหนแต่สติปัญญาของเราจะสามารถอาจรู้ได้เพียงไรนั้นย่อมมีต่างกันเดี๋ยวก็เร่ม อ, อุปนิสัยการปฏิบัติจึงมียากมีง่ายต่างกันดังที่ท่านสอนไว้ว่ะทุกขาปฏิปทาท่านทาพิญญานี่ ประเภทหนึ่งทั้งปฏิบัติลําบากทั้งรู้ได้ช้านี่ประเภทหนึ่งนะทุกขาปฏิปทาคิดปาปิญญาปฏิบัติลําบากแต่รู้ได้เร็วนี่ประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งสุขาปฏิปทาคิปาปิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็ว สุขาปฏิบัธาทันทาปิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้านี้เป็นพื้นฐานของสัตว์โลกที่จะต้องเป็นในธรรมสตามธรรมสีประการนี้ลีกเลี่ยมไปไม่ได้เป็นแต่เพียงไม่ทราบว่ารายใดจะเข้าในลักษณะใดแห่งการปฏิบัติของปฏิบัธาทั้งสีน่นี้เราเราเองก็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 ซึ่งพอจะขุดค้นสัจธรรมคือความจริงนี้ขึ้นมาให้เปิดเผยได้อย่างประจักษ์ในภายในอันรวดเร็วจึงต้องอาศัยความพยายามสำคัญที่ความภาคเพียรเราอย่าถอยนี่เป็นทางของนักปราบเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ไ ป, ปโดยลำดัแบบไม่ใช่ทางที่จะอับเท้า เ, บ า, เ บ, าบาปัญญาหรือตองนรก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 นี่ไม่ใช่ของดีเราจริงระมัดระวังเรื่องความคิดที่จะเป็นภยัยต่อการดำเนินของเราเราตั้งหน้าเข้าสู่แนวลบอยู่แล้วด้วยกันตั้งหน้าที่จะถอดถอนสิ่งที่เป็นค่าสุดอยู่แล้วด้วยกันมีความภาคเกียนเต็มพลติกาลังอยู่แล้วด้วยกันทำไมเราจะเป็นคนนอกบัญชีไป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 ทุกมากทุกน้อยในขณะที่ปฏิบัติเป็นหน้าที่ของสติปัญญาศรัท ธ, ธาความเพียรหรือกำลังบังชาของเราจะปุดคตนให้เห็นความจริงของทุกทุกด้านจะเกิดในด้านใดส่วนใดของอวัยวะของร่างกายหรือจะเกิดขึ้นภายในจิตใจก็เรียกว่าทุกเช่นเดียวกันจิงเหล่านี้จะเห็นจริงเห็นแจ้งกันด้วยสติกับปัญญา ศรัทธาความเปลี่ยนของเราเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะขุดค้นความจริงที่มีอยู่เหล่านี้ให้เห็นได้อย่างประจักษ์จนกระทั่งต่อยวางกันได้เรียกว่าหมดคดีเกี่ยวข้องกันครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดาเนินที่ท่านดําเนินมาแล้วมาสอนพวกเราองค์ไหนที่ปรากฏชื่อลือ น, นามว่าเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนพระเนรนั่งมาก รู้สึกจะท่านจะเป็นพระที่เดินตายมาด้วยกันไม่ค่อยจะอยู่ธรมมมธรมดารมบำเพนธรรมดาแล้วได้รู้ขึ้นมามาเป็นผู้พาิจารณาของบรรดาลูกศิษทั้งหลายอยวก็เป็นคนเดินตายมาด้วยกันทั้งนั้นท่านเวลาที่ท่านไปบาเพนเราไม่รู้ไม่เห็นท่านไม่ทราบว่าท่านเป็นอย่างไรทุก ท้าไม่ทุกอย่างไงแต่อยู่ในปา่าในเขาไม่มีบ้านมีเรือนอาศัยดินเทาบาทเขากินเป็นวันเป็นลันสถานที่อยู่ทางที่ไปปัจจัยที่เป็นเครื่องอาศัยเป็นสิ่งที่อาศัยโลกทั้งนั้นองค์ท่านเองมีแต่บาทบาทก็บาทเ่าเปล่าถ้าสามผื้นคือไตรกีวรสบงกีวรสังคาติ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 สากะยะบุตรผู้ลูกสถาคตเวลาทําความภาคเพียนก็ไปทุกข์กับเรื่องความเพียนการแก้ที่เหลอต่อสู้กันกับกิบเลสตปเทตต่างๆเพราะกิเลสบางตปเทก็ผาดโผนมากเพราะเคยอยู่บนหัวใจของเรามานานเราจะกดเข้าลงอยู่ใต้อำนาจนั้นย่อมเป็นของลำบากไม่ใช่ น, น้อยๆเราเองก็ยัง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 บางเจดีตนิสัยชอบนอนก็มไม่หลับนอนพิจารณาอยู่งั้นเช่นเดียวกับนั่งพิจารณาท่านจึงเรียกว่าเจดิตนิสัยต่างกันบางองค์ชอบภาวนาดีในในเวลานอนเวลายืนเวลาเดินเวลานั่งต่างต่างกันอย่างนี้ตามจดิตนิสัยแล้วความภาคยานทุก ป, ประเภทเป็นเรื่องที่จะถอดจะถอนจะ ขุดจากโคนจีเลต์ออกจากจิตใจของตนจะเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องเบาๆาสบายๆได้อย่างไรต้องทุกข์ต้องลำบากความรักก็เหนียวความเกลียดก็เหนียวความโกรธก็เหนียวขึ้นชั้วกิเลตเนี่ยแล้วเหนียวฝังลงอย่างลึกลงถึงขั่วหัวใจเราจะถอดถอนได้ง่ายๆเมื่อไหร่แล้วฝังมากี่ขับกี่กันฝังอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลก การถอดถอนสิ่งที่ฝังจมอย่างลึกนี้ต้องเป็นของยากเป็นภาระอันหนักไม่ใช่น้อย mm hmm. เมื่อเป็นภาระอันหนักความทุกข์ก็ต้องมาไม่ว่าจะกิเลสประเภทใดก็ต า, ามมันออกมาจากรากเหง้าข้ามูลของมันคือหวัวใจฝังอย่างลึกด้วยกันทั้งนั้นเ mm hmm. พราะฝังจมกันมานาะนเราต้องใช้ความพยายามแต่การกล่าวทั้งนี้อยากคาดทะเนว่าเรานี้ยิ่งลึกกว่าเพื่อนน่ ก็ยิ่งจะเป็นการจมลงไปอีกด้วยอุบายของกิเลสหลอกเราในเราพูดถึงเรื่องความเพียรนึกความทุกข์ความลาบากของครูของอาจารย์ที่ท่านมาแนะนาสั่งสอนพวกเราท่านต้องใช้ความอุตส่าห์พยายามจนกระทั่งได้เหตุได้ผลจากการพูดปฏิบัติเรียกว่ามีต้นทุนขึ้นมาภายนาจิตใจใจก็ตั้งหลักได้สติปัญญาก็พอคิดอ่านใ่ตรองได้แล้ว ตอนนั้นแหละที่นี่เป็นตอนที่เพลินเพลินต่อการถอดถอนกิเลสทุกประเภทไม่มีการท่อถอยอ่อนใจมุ่งหน้ามุ่งตาที่จะถอดถอนให้หมดจนไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนี่ความเพียรก็เก่งไม่ว่าท่าไหนเก่งทั้งนั้นอุตส่าห์พยายามความพินิจพิจารณาค่ายควรต่างๆละเอียดละ อ, อ่ำปตามำกันเรียกว่าสุกคุ้มปตามำกันไปหมด เพราะทํารวมตัวเข้าแล้วมีกำลังด้วยกันศรัทธาก็รวมวิริยะก็รวมลงไปในจุดเดียวกันทะละห้ารวมลงนั้นอิธิบาททั้งสี่รวมลงที่จะทุม่มลงพนานในจิตใ จ, จที่เต็มไปด้วยขี่เล็ดทั้งหลายนั้นยากก็เพลิดอารมณ์คำว่ายาก ที่มีผลปลากฏอยู่ภายในตัวที่เรียกว่ามีต้นทุนนั้นยากก็เหมือนไม่ยากคือแต่ก่อนเราไม่มีต้นทุนไม่ปลากฏว่ามีทุนมีรอนอะไรค่าโดยกาปั้นนันก็ลําบากหรือบ้างพอมีเครื่องมือมีต้นทุนบ้างแล้วถึงจะลําบากก็เหมือนไม่ลําบากเพราะความพอใจมีสติปัญญามีพอต่อสู้ความภาคเียนไม่ถอยหลังไม่ลดละจิตใจก็มีความเจริญรุง่งเรืองขึ้นโดยลาําดับลำบดับ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 ไม่ไม่ใช่สงบแบบคนสิ้นท่าสงบอย่างเย็นปัญญาเวลาถึงการปัญป ญ, ญาจะออกพิจารณาคนคว้าก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยสู้ไม่ถอยกลางคืนกลางวันเต็มไปด้วยความภาคเพียรความลำบากลำบนด้วยปัจจัยสีไม่สนใจ ขอให้ได้ประกอบความภาคเพียรเต็มสติกำลังความสามารถเป็นที่พอใจของนักปฏิบัติผู้หวังรู้ทรรมผู้หวังรู้แจ้งทีง่เนื้อธรรมโดยถ่ายเดียวเท่านั้ น, นผลสุดท้ายจิตที่เคยมืดดำมาก็เปิดเผยตัวออกมาให้เห็นเป็นความวร้างขจยงแจ้งเป็นความอัศจรรย์อุบาสติปัญญาที่เคยมืดมิดปิดตา คิดอะไรไม่ได้ก็กลายเป็นสติปัญญาที่หมุนตัวออกมาด้วยลวดลายแห่งความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์คือกิเลสที่แสดงตัวออกมาทุกแง่ทุกมุมมีเป็นเมื่อสติปัญญาเข้าขั้นนี้แล้วกิเลสที่จะสังสมตัวขึ้นมาสังสมกําลังนั้นลดน้อยลงไปโดยลำดับ จนสามารถพูดได้ว่ากิเลสไม่มีทางสั่งสมตัวได้แม้แต่สิ่งที่มีอยู่กิเลสที่มีอยู่ก็ถูกทําลายไปโดยลำดับด้วยสติปัญญาขุดคน้นไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนมีเอียบทใดๆทั้งนั้นเป็นเรื่องกีดขวางความเพียรมีแต่ท่าแห่งความเพียรจะทั้งหมดหมายถึงสติปัญญาหมุนตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเอียบทใด นี่ยิ่งเห็นชัดเจนจิตใจยิ่งเด่นเหนือนกิเลสขึ้นมาเป็นลําดับหนักเพราะฉะนั้นคําว่าไม่ยอมแพ้กิเลสนี้ทําไมจะพูดไม่ได้เมื่อเห็นประจักษ์ในกําลังของตัวว่าเป็นผู้สามารถแค่ไหนทติปัญญาที่ออกตะเวคนค้นคว้าหากิเลสนั้นรอบตัวยี่ตลาดเวลากิเลสตัวไหนจะออกสามารถออกมาเพ่งท่านกล้าหารต่อทติปัญญาประเภทนี้ไม่มี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 จนกระทั่งกิเลสมันรวมตัวที่เคยพูดเสมอว่าอาวิชชาแท้นั่นรวมตัวธรรมชาตินั้นต้องผ่านขุดค้นทีเดียวเวลาถอนก็ทุวดทีเดียวไม่มีเหลือเลยส่วนกิ่งก้านของมันนั้นต้องได้ตัดกิ่งนั้นก้านนี้เลื่อยไปสาขาไหนที่ออกมากน้อย เลกโตขนาดไหนตัดด้วยปัญญาตัดด้วยปัญญาขาดลงไปขาดลงไปผลปูผ้ากันยังเหลือหัวต่อถอดหัวต่อถอนหัวต้ อ, ตอนี่ถอดยากถอนยากแต่ถอนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นทั่วเดียวหมดไม่มีใดเหลือเลยเนี่ยแหละความทุกข์ความลําบากในการประกอบความภาคเพียน ม, มามากน้อยเพียงไรเราจะไม่เห็นคุณค่าอย่างไรเราเมื่อกองทุกข์ทั้งมวลมากน้อยเพียงไร ซึ่งทับอยู่บนหัวใจได้ทลายลงไปหมดเมื่ออำนาจแห่งความเพียรที่ว่าทุกๆด่างจากราบำบังหลายนั้นคุ้มค่าตายก็ตายไปเถอะตายด้วยความทุกข์เพราะความเพียรนี้ไม่เสียดายชีวิตเพราะได้เห็นคุณค่าหรือได้เห็นผลของความเพียรเป็นอย่างไรบ้างาก็จักษ์กับติดทั้งตนเองนี่การบําเพ็ญเพียร ต้องเป็นผู้ไม่ท้อถอยมีอะไรพิจารณาการภาณารีตใจมืดเราก็ทราบว่ามืดเนี่อิเล็กต์กจิตไม่เคยมืดคือความรู้จริงๆไม่ปิดตัวเองทุกขณะไหนก็ทราบว่าทุกสุกก็ทราบว่าสุขมืดก็ทราบว่ามืดนี่สว่างก็ทราบสว่างหนักเบาแค่ไหนผู้รับรู้รับอยู่ตลอดเวลาไม่ปิดกั้นตัวเองเลยผู้นี้คือผู้รับอยู่ตลอดเวลา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 หรือไล่เข้ามาหาตัวของเรามันติดรูปติดเสียงติดติ่นติดโลดสมบัติสมบัติพัตดุเป็นพัสถานต่างๆนานามันเป็นกิเลสไปหมดเพราะจิตพาให้เป็นสิ่งเหล่านั้นเขาไม่เป็นกิเลสแต่จิตไปติดจริงใแล้วก็ถือว่าสิ่งนั้นเป็นกิเลสพราะจิตพาให้เป็นจึงต้องพิจารณาให้เห็นชัดเจนตามสิ่งนั้นแล้วจิตจะได้หายสงสยัยถอนตัวเข้ามาสุดท้ายก็มามีอยู่ในาธาตุในขันธ์ของเราเนี่ยมันมีที่ยึดมันก็ต้องถือตัวเป็นที่หนึ่ง ความรักความสงวนไม่ว่าอันใดเหนือความรักตัวสงวนตัวไปไม่ได้เพราะฉะนั้นกิเลสประเภทนี้จึงไม่มีที่ก่อแล้วจึงต้องเข้ามารวมตัวอยู่ในตัวห้องตัวจึงต้องมาไล่ที่กลุ่นี้ไล่กรุ่นี้ไล่ยากหน่อยยากก็ไล่เพราะเข้ามาตรงนี้ก็เป็นกิเลสเหมือนกันกับข้างนอกมันก็เป็นเสี้ยนเป็นหนามเหมือนกันเป็นพิษเป็นพายเหมือนกันต้องไล่ไล่ออกถอดออก ด้วยการพิจารณาเรื่องถาดเรื่องถังแยกแยะดูให้เห็นตามความเป็นกินินทุกแงกทุกมุมพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเป็นพื้นเพ ข, ของกิตได้อย่างชัดเจนว่าสักแต่ว่าถ้าสักแต่ว่าขันน่ะเมื่อพิจารณาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเป็นอย่างนั้นสักแต่ว่าสักแต่ว่าเมื่อลงถึงขั้นสักแต่ว่าแล้วจะไปถือมันได้อย่างไงเพราะปัญญาหวานล้อมไปหมดแล้วปัญญาชำระไปหมดชะล้างไปหมด มนตินคือกิเลสที่ไปติดพันอยู่กับสิ่งใดความสาคัญนั้นหมางจนไปเกี่ยวข้องไปติดพันอย่นี้ที่ตรงที่ตรงไหนปฏิปัญญาชะล้างไปหมดแก้ปลดเครื่องไปหมดไปหมดโดยลำหนักลำหนักสุดท้ายก็มาสักแต่ว่ารูปก็สักแต่ว่ารูปไม่ว่าอาการใดที่เต็มอยู่ในร่างกายของเราที่ให้นามว่ารูปนี่ก็สักแต่ว่าเท่านั้นไม่ยิ่งกว่านั้นไปเลย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 เมธนามันเกิดขึ้นมาก็สั่์แต่ว่าสลาเรื่องไปก็ตามสภาพของมันตามสภาพของมันทุกทุกอาการทุกอาการเป็นระดับราดับไปผลุท้ทาจิตที่เรามีความนับความสงวนอย่างยิ่งด้วยอำนาจแห่งกิเลสประเภทหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเกาะอยู่ในนั้นแล้วก็พิจารณาลงไปท่านเรียกว่าจิตานณุปัฏฐานนี่มันสั่แต่ว่าจิต คือให้เป็นสภาพหนึ่งเช่นเดียวกับสภาวัฒน์ทั้งหลายอย่าถือจิตนั่นเข้ามาเป็นตนจะสาทําคันจิตว่าเป็นต้นอย่าถือจิตว่าเป็นตนจะพิจารณาไม่ได้เพราะความรักเพราะความสงวนกลัวว่าจิตจะเป็นอะไรต่ออะไรไปเสียเนี่ยก็มาสงวนตรงนี้จึงต้องพิจารณาตามเรื่องที่ท่านบอกจิตตานุปัสสนาพิจารณาลงไปให้เห็นแต่ว่าสัจแต่ว่าจิตชิดก็เห็นแต่สัจแต่ว่าคิด ปรุงขึ้นมาดีชั่วสับแต่ว่าคิดว่าปรุงแล้วก็ดับไปดับไปเพระมันสับแต่ว่าสับแต่ว่าจนทั้งถึงลากฐานของมันลากฐานมันคือคือกิลเลสชนิดละเอียดที่สุดอยู่ภายในนั้นแต่มันอยู่ในจิตเราไม่พิจารณาจิตเรามันไม่ได้เราจะส่งวันจิตไว้แล้วพิจารากิลเลสประเภทนี้มันไม่ได้อก็เหมือนกับโจรมันเข้าอยู่ในอุโมงคนี้เราจะเสียดายอุโมงไม่ได้ ต้องระเบิดหมดทั้งอุโมงนั่นอ่ ะ, อะให้มันแตกไปหมดระหว่างไงนี่ก็เหมือนกันระเบิดเข้าไปหมดเลยตรงนี้อุโมงคือจิตนี่อา้าวถ้าจิตเป็นผู้จริงจริงๆทนต่อการพิสูจน์ทนต่อความจริงจริงจิตจะไม่ชิบหายจะชิบหายตั้งแต่จริงที่เป็นสมมุติท่นั้นธรรมชาติตัวจริงของนิมิตแท้ๆจะไม่อา่าแล้วอะไรจะเป็นนิมิตคำว่าจิตจะเป็นนิมิตอ้อาวถ้าจิตยังสามารถจะเป็นนิมิตได้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 เราเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นอรสเป็นสนามรบพิจารณาด้วยปัญญาผ่านเข้ามาจกนกระทั่งถึงเอารูปเวทนาปัญญาสังขานอินยามเป็นสนามรบพิจารณาจนรู้แจ้งจริงจิงแล้วปล่อยวางปล่อยวางตามเป็จริงอาง้อาวที่นี้ที่พิเหพมันไม่มีที่ซ่อนเขาวิ่งตัวเข้าไปอยู่ในจุดเดียวอาคือจิตเอาจิตเป็นสนามรบอีกฟาดพันลงด้วยปัญญาหันแหลกลงไป โดยลำดับดา่าโดยไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อยกเว้นว่าจะสมวนอะไรไว้เลย อ, อันใดที่ปรากฏจะพิจารณาให้มันแหลกไปหมดให้มันเข้าใจไปหมดนั่นสุดท้ายกิเดสก็ทนตัวอยู่ไปได้กระจายออกไปหมดนั่นของปลอมต้องสลายตัวไปของจริงอันนั่งเดิมแท้ได้จะจิตก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ขึ้นมาหาความสลายหาความที่หายไปไม่มีเลย นี่แหละคือความประสุดแท้เราชำระเพื่ออันนี้อันธรรมชาติแท้นี้ไม่ตายไม่ชิดหายถึงจะถูกพิจารณาขนาดไหนฟาดฟันลงไปด้วยสติ ป, ปัญญาขนาดไหนก็ตางแต่สติ ป, ปัญญาจะฟาดฟันจิตให้แหลกละเอียดจนชิบหายหมดนั้นเป็นไปไม่ได้น่นสุดท้ายก็จิตบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาพอจิตบริสุทธิ์เต็มที่แล้วปัญญาก็ ค่อยหมดความหมายหรือหมดภาระหน้าที่ของตนไปเองไปตามหลักธรรมาชา hmm <cribe> ติของสติปัญญานอกจากเราจะนํามาใช้ในการตามการตามใดๆในแง่ต่างๆหรือธุระหน้าที่ต่างๆเท่านั้นที่จะมาแก้มาทําลายกิเลสขึ้นมาถอถอนกิเลสด้วยปัญญาดังที่เคยเป็นมาแล้วมันไม่มีกิเลสจะถออนก็ไม่ทราบจะปัญญาจะมาถอนอะไรต่างอันต่างหมดหน้าที่ของตัวไป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 เมื่อพ้นจากความติดข้องนันแล้วมันก็เป็นความหลุดพ้นที่เรียกว่ามืดทท้งนั้นดูหเหมือนลดมาจิดเพียงเท่านี้มันเข้ามาขึ้นเนอใช่ไหม